แนะนำบทอัตตีนบทอัตตีนเป็นบทมักกียะห์มี 8 องค์การที่กล่าวถึงเรื่องสําคัญ 2 เรื่องคือ 1 การให้เกียรติของอัลเลาะห์แก่มนุษย์ 2 เรื่องการศรัทธาการชําระสอบสวนและการตอบแทนบทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติซึ่งอัลเลาะห์ทรงกําหนดให้เป็นสถานที่เพื่อการประทานองค์การแก่บรรดานบีและรอซูลของพระองค์สถานที่เหล่านั้นคือ บัยตุลมักดิสภูเขาตูรุตและเมืองมักกะฮ์โดยที่อัลเลาะห์ทรงยกย่องให้เกียรติแก่มนุษย์ทรงบังเกิดพวกเขาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งและเมื่อไม่ขอบคุณความโปรดปรานของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะทรงให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำบทนี้ได้ตำหนิคนกาฟิรที่ปฏิเสธวันแห่งการฟื้นคืนชีพและวันชุญุมหลังจากที่หลักฐานอันชัดแจ้งได้บ่งชี้ถึงเดชานุภาพของพระเจ้า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 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ خอสาบานด้วยต้นมะเดื่อและต้นมะกอกและด้วยภูเขาตูร์ซินายและด้วยเมืองที่ปลอดภัยนี้ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ لَأَدْعُوهُ إِلَى أَنْ يَعُودَ إِلَى حَالَةِ السُّقُوطِ الأَدْنَى إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ نُزُوجَ بَنَدَا الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ جَمِيعًا وَهُمْ سَيَنَالُونَ جَائِزَةً لَا نِهَايَةَ لَهَا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ดังนั้นอันใดเล่าที่ทําให้เขาปฏิเสธเจ้าหลังจากนั้นเกี่ยวกับการตอบแทนเอไลซัลลอฮุบิอห์กัมิลฮาคิมีนมิใช่อัลเลาะห์ดอกหรือเป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย